ท่านวันที่ครบค่ะท่านกนยู่ในช่วงเวลาของรายการสันสนี์สนทนาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตีห้ถึงตีห้าครึ่งโดยประมาณท่านจะเป็นคนที่โชคดีกว่าใครเพราะว่าตื่นเช้ามาปุ๊บไม่ต้องเสียเวลาไปวัดแต่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0ออำนวยความสะดวกให้ท่านได้เข้าถึงพระสาสดาได้เสดธรรมแล้วจะได้นาไปปฏิบัติตามธรรม สำหรับการปฏิบัติสมาธิตามพุทธวจนะเราก็มีพระสงฆ์มานำไปแล้วนั่นก็คือพระมาร์ชชาคาวโรตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่จะได้สนทนาธรรมกันอีกแล้วนะคะเป็นการนำเอาคำพระาศาสดามาตอบคำถามโดยพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโ น, โนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคะ่ะกลางวันสการคะ่ะใช่บ้านค่ะวัดปาดอนหายโศกระยะนี้มีฝนตกไหมคะท่านคะตกทุกวันเลยแปลว่าที่นั่น เข้าสู่หน้าผลชัดเจนใช่ใช่ชาวนาดีใจกันมากเลยคุณโยมติว๋วไปนาทุกวันวันนี้ไม่ค่อยมีใครมาวัดเลยาอาาตอนจะไปปฏิบัติธรรมระหว่างทํานาก็ได้ใช่ะะเขาก็ไปแ ข, ข่นแข่งกันอต่ น, นี้ก็ก็คือดีมากอ่ะนะเป็นการทํางานของเขาแล้วก็อนุโมทนาด้วยนะพระมันก็ไม่ยากแล้วไปปฏิาบาติก็จบค่ะนะคะสำหรับวันนี้เห็นท่านไปบูนบอกว่าเมื่อวานนี้เมื่อพูดถึงตัวท่านเองซึ่งก่อนมาบวช ชอบทําอาหารใช่ใชแล้วก็สามารถเอาเรื่องของการทําอาหารเนี่ยมาสอนธรรมะเราได้ด้วยนะคะก็อยากฟังต่อนะค ะ, ะ, คะอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนอาตมาเป็นกระวาเนี่ยนะเราจะ ช, ชอบทําอาหารมากเลยคือเราจะไปเลือกอาหารส่วนประกอบของอาหารต่างๆ่างเองนะผักก็จะไปซื้อเองหมูก็ซื้อเองซื้อมาส่วนประกอบต่างๆซื้อมาแล้วก็ปรุงอาหาร ค, นะคือทําอาหารเสร็จเราก็กินเองก็สบายใจใครไม่กินเราก็กินได้หมดนะ ทีนี้มันจะมาถึงประเด็นที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมนะที่เราเปรเียบเทียบว่าเร า, ร เ, เ, ราเราจะเรียนมั่งมีของแปอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วการทําอาหารมาเอาส่วนประกอบมาปรุงกันนะให้มันอร่อยนะคือไม่ใช่ว่าเราสมมุติเราจะผัดผักสักจานหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณกินซีอิ๊วก่อนแล้วกินผักตามแล้วก็ใส่น้ําตาลตามแล้วไปข่าวขยับในตัวไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราผัดให้อย่างดีก่อนข้างนอกแล้วเราจึงกินเข้าไปเสิร์ฟเข้าไปในในใ น, ในท้องเราผ่านปากเข้าไป เนะช่นเดียวกันไธรรมะที่บุญเจ้ากระจายออกมาให้ดูคุณโยมติวนะม๋วนะ ส, สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปะอะไรนะอย่างๆแปดอย่างเนี่ยออไม่ใช่ว่าให้เราเราทําทีละอย่างนะคือไม่ใช่ว่าอันนี้อาจจะเห็นยากเอาง่ายๆสมมุติว่าเราไปไปวัดอย่างเงี้ยไปนั่งสมาธิที่วดัดนะกลับมาถึงบ้านกลายเป็นอีกคนหนึ่งนะฉันกลับมาสู่ชีวิตเดิมๆละฉันฉันไม่ทำเหมือนอยู่ตอนอยู่ที่วัดละนั่นะมันมันไม่ได้นะแต่เพราคุณยังมีความแตกต่างกันอยู่คุณยังเอาตรงนี้ส่วนนี้แยกกันส่วนนั้นยังยังไม่ค่อยถูก แต่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่เราจะต้องให้มันเหมือนกันหมดนะคือให้เป็นเนื้อเดียวกันหมดให้มันแบบเข้ากันดีซะก่อนเราถึงจะใช้งานได้นะเพราะว่าธรรมะมันอยู่ที่จิตของเราไงค่ะอยู่ที่จิตของเราไม่ใช่ว่าเราต้องแยกกันแต่ที่พระเจ้าแยากให้ดูเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าส่วนประกอบของอาหารที่คุณต้องทำกินเข้าไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้อันนี้เข้าใจชัดเจนเรื่องมากๆเลยนะคะอืม ค่ะหมายถึงว่าเรื่องมักมีองแปดมากบางคนบอกเรื่องมักมากในมักบ้างมันเป็นฟังก์ชันมาคุณชอบกนค่ะแต่ไม่มักมากก็เอามักง่ายก็อะไรกันขอภัยนะคะคือพอเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยมันจะพ้องเสียงกันอยู่อืมค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราให้ปฏิบัติตามมักโดยที่ให้ผสมอยู่ในจิตของเราอย่างเนียนไปเลยทําอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไปไหนก็พูดดีๆกันไปไหนก็คิดดีๆกันแค่นี้คุณมีมักแ8ดอยู่ตลอดละค่ะนะ S <S นะคะเพราะว่ามรแปดเนี่ยทบทวนอีกครั้งหนึ่งจะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิอใช่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะเขาบอกว่าทิฏฐิและสังกัปปะคือการดรําริชอบเนี่ยนะคะใช่บางคนเลยบอกว่ามั น, มนคล้ายกันมากเหมือนหรือต่างกันยังไงสัมสมาทิฏฐิในความรู้ในอริยสัจสี่คนะความรู้ทิฏฐิเนี่ยที่เราว่าแปลว่าความเห็นความเห็นเนี่ยนะจริ ง, รงๆหมายถึงความรู้นะัพระเจ้าใช้คำว่าญาณังแปลว่าความรู้นั่นคือรู้ในอริยสัจสี่ ตนี้ดำริเนี่ยคือความคิดความดารินะซึ่งเราจะคิดถึงเรื่องใดสักเรื่องในเรื่องหนึ่งก็ไม่ให้ออกไปในเรื่องของการปยาบาติเบียดเบียนอันนี้คือความคิดจะคิดเรื่องอะไรก็ได้แต่ให้อยู่ในในความนี้ความดําริชอบแล้วใช่ใช่มาถึงข้อที่ 3, สามสัมมาวาจาเข้าใจง่ายหน่อยใช่นะคือการพูดชอบและข้อที่สี่ก็คือูชอบกับชอบพูดเหมือนกันไหมคะท่านไม่เหมือนกัน ชอบพูดเนี่ยก <te> ็จะจะมีความเสี่ยงอยู่นะคนพูดพูดมากนะจะมีความเสี่ยงต่อการผิดสมาวาจาแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะไปนรกกาเนดในราจฉานเปรตวิสัยแต่พระเจ้าให้พูดพอประมาณนะอันนี้ส่งของการพูดพอประมาณก็มีอยู่นะในศาสนาตรงข้ามกันพูดชอบในที่นี้หมายถึงการไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อสเสียดคือทำให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อท่านคะดีฉันขอแวะข้อนี้นานนิดนึงเพราะว่าเพื่อนๆ อ, อ่านหนังสือพิมพ์ในห่วงเวลาที่สภาเขามีการสับสนโอลมานเรื่องการยื่นเสนอพระราชบัญญัติปรองดองเนี่ยนะคะทีนี้หนังสือเขาวิจารณ์เขาบอกว่าเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุเขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะการที่เกิดมาจาก h a t h a t ที่แปลว่าเกลียด speech แปล ว, ว่า คำพูด oh. ก็คือคำพูดที่สร้างความเกลียดชังและเนื้อหาเนี่ยก็คือที่บ่มเพาะกันมานานเป็นระยะเวลาหลังจากที่มีความขัดแย้งกันทางการเมืองแล้วก็มีเวทีมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็เลยทําให้ในสภาที่นอกเหนือจากการอภิปรายในความเห็นที่แตกต่างกันแล้วเคยเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่ายก็กลายเป็นศัตรูกันหรือเปล่าอืมอย่างเงี้ยค่ ะ, ะมีคําแปลที่ตรงตัวพุทาใช้คําว่า hush speed นะครับ s p คือคําที่หยาบคายแล้วก็คําที่ส่อเสียนนั่นแหละสะกดยังไงนะคะท h a r s h h u s h ค่ะ s p e อ๋อค่ะเป็นวาจาหยาบนะแล้วก็วาจาส่อเสียดนซึ่งซึ่งก็เป็นมิจฉาวาจาลหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอที่ยกอันนี้มาก็กําลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายอให้เป็นเครื่องขุดกรา ใช่เป็นเครื่องขูดกล่าวว่าคนอื่นทำมิจฉาวาจาใช่ไหมฉันจะทําสัมมาวาจาค่ะทีนี้อพอต่อจากสัมมาวาจาก็จะเป็นเรื่องสัมมากรรมันตะกับสัมมาอาชีวะก็ใกล้เคียงกันเลยเกินค่ะอ่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าสัมมากรรมันต์เนี่ยเป็นพูดถึงการทํางานดําเนินชีวิตของเราธรรมดาแต่สัมมาอาชีวะนี่คือพูดถึงการประกอบอาชีพค่ะบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพนะแต่คุณก็มีสัมมากรรมันต์ได้ค่ะคือการทํากิจการกิจกรรม การประทับใจทางกายการกระทำทางกายใช่ค่ะแล้วก็พอต่อจากสมาอาชีวะคืออาชีพให้เป็นอาชีพที่ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดทรรอืมเอ่อแล้วก็พอมาเป็นสมาชีวะนี่ก็ยังพูดถึงการที่ไม่ล่อลาบด้วยลาบนะการไม่พูดโกหกการไม่พูดหลอกลวงการไม่โกงด้วยตาช่างการไม่โกงด้วยของปลอมถ้าอาชีพไหนไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่กงตาช่างเข้าใจง่ายนะคะเรื่องของปลอมเข้าใจง่ายอืม ล่อลาบด้วยลาบเนี่กระั้นค่ะล่อลาบด้วยลาบเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเข้าใจมากกว่าไหมเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากท่านอธิบายให้ชัดกว่านี้อีกไม่เป็นไรอย่างสมมติเซลล์ขายของค่ะนะคุณเอาของมีค่าน้อยไปต่อของมีค่ามากการค้าขายถ้าอยู่ในลักษณะที่เอาของมีค่าน้อยไปต่อของมีค่ามากก็ถือว่าผิดนะต้องค่าพอสมควรงั้นหรือไหมคะในกำไรเกินควรออันนี้ก็ส่วนหนึ่งกําไรเกินควรไม่ไม่มีปัญหาคือกําไรมากได้นะการทําสมาชีวิทย์ แต่ว่าอาการของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากอย่างเช่นว่าคุณเอาอย่างตกทองอย่างเงี้ยเราตกทองเนี่เป็นลักษณะของเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากล่ะอมออันอย่างงี้เห็นชัดมากเลยตกทองเอาของปลอมไปตกของจริงหลอกแต่แเป็นของปลอมนะคะท่านผู้ฟังไม่เข้าใจว่าการตกทองเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งเนาะ อ้ยท่านว่าไม่ได้หรอคะอเข้าใจว่ากลเม็ดในการโกงเนี่ยตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเนี่ยหลายอย่างเลยนะคะที่ถูกใช้มาจนถึงทุกวันว่าโลกมันก็เป็นของวันอย่างนี้นะคะอเป็นจะไปเกิดที่ไหนเท่านั้นเองอทีนี้มาถึงอีกสองสามมาค่ะทัานคะสติกับสมาธิบางคนก็บอกคล้ายกันหรือเปล่าอมีสมมาวายามะด้วยสมาสติสมาสมาธิด้วย นะสัมมาวายมะนี่คือความเพียรชอบนะเอากิเลสออกเอากุศลธรรมเข้าเอาอกุศลธรรมออกนะจะไม่จะทําอย่างนี้ได้คุณต้องมีสติก็คือส่วนนี้คือส่วนสมาสติละสสติก็คือ<ร><ร>ความาระลึกได้อ่าถ้าเพียรก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันเขาบอกสุขภาพอยากจะดีเนี่ยต้องออกกําลังกายก็เลยขยันออกกําลังกายอันนี้เป็นเพียรชอบไหมคะเออมันอยู่ที่จิตนะความเพียรตรงนี้อยู่ที่จิตถ้าเราเราสามารถลักความขี้เกียจได้ นะเอาความขี้เกียจออกจากจิตโดยการไปออกกรรมการการออกกรรมการนั้นดีค่ะแต่เน้นที่จิตเป็นสําคัญใช่ทีนี้พอสัมมาอีกสองสัมมาคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิคะท่านคะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความระลึกชอบและความตั้งใจมันชอบมันจะต่างกันตรงที่ว่าความระลึกเนี่ยคือสตินะคุณจะมีสติอยู่ในขณะที่คุณอาจจะไม่มีสมาธิก็ได้นะพระเจ้าเคยพูดถึงการมีสติอยู่ในนิวรณ์การมีสติอยู่ในกาม ในขณะที่มีความมริที่ไม่ไม่ถูกต้องอยู่แต่ก็มีสติอยู่ได้คทําไป <คน S 1> ทํำไปคทําไปทไปําไปก็จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นได้อทีนที้เรื่องของสติเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราพืเห็นพื้นๆไปเช่นวางของของสําคัญซะด้วยตั้งใจเก็บงามเป็นอย่างดีเก็บแล้วลืมอย่างนี้นะคะถือว่าเป็นมิจฉาสติไหมแล้วถ้าเราไม่ลืมอะไรเลย เก็บแล้วจําได้เนี่ยถือว่าเป็นสัมมาสติแล้วหรือยังกันนครับอืมคือสติเนี่ยพระเจ้าพูดถึงความาระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้แม้หนาได้นะนี่คือสติเฉยเฉยใที่นี้สัมมาสตินี่คือความระลึกถึงในกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นะ ม, มันจะไม่เกี่ยวกับไอเรื่องเราจำของที่พูดวางไว้อ่าหรือว่าจําเรื่องต่างๆที่เคยพูดมาอันนี้คือสติเฉยเฉยสติธรรมดาใช่แต่ถ้าสัมมาสตินะคือระลึกถึงในกายเวทนาจิตธรรมได้ สติชอบจะต้องระลึกถึงในสิ่งที่นําไปสู่การบรรลุธรรมใช่ถูกไหมคะคือบางคนอาจจะหลงหลงลืมลืมนะแต่มีสติอยู่มีสติในอะไรลมหายใจบางคนขับรถอยู่มีรู้ลมหายใจอยู่เอาขับเลยบ้านอา่ะลืมสติไหมก็ไม่ได้เผลอสตินะแต่ว่าเราไปมีสติอยู่ในอิริบทย่อยๆเรามีสติในในเรื่องเนี้ยเราไม่ได้มีสติอยู่ในเรื่องอื่นนี่เพราะฉะนั้นเราจะลืมเรื่องอื่นก็ไม่เห็นเป็นไรแต่เรามีสติในเรื่องนี้นะคะ กายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติกลุ้คร่าวๆแล้วกันใช่แล้วก็สุดท้ายสัมมาสมาธิอืมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นชอบนะคือจิตที่เป็นเอกคตาจิตที่เป็นหนึ่งค่นะฉันอ่านหนังสือมีสมาธิมากเลยใครมาทำเสียงดังอะไรไม่ได้ยินเลย อ, อนนใช่สัมมาสมาธินี่คะอันนี้จะเป็นสัมมาสมาธิก็ต่อเมื่อมีบริขารทั้งเจ็อย่างอันแรกเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่ง ซึ่งถ้าสมมติคุณยมติวอ่านหนังสือธรรมะอยู่จิตก็มีสมาธิทิฏฐิจิตมีสมมาสังกัปปด้วยจิตมีสัมมาวาจาเราไม่ได้พูดอะไระอาชีพเราถูกต้องเรามีศีลแล้วจิตเป็นหนึ่งนะนี่แหละมีสัมมาสมาธิแล้วอ๋อคือถ้าจะมีสัมมาสมาธิอย่างว่าเนี่ยจะต้องมีสัมมาทั้งเจก่อนหน้านี่ครบถ<ะ>้วนแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั่นแหละคือสัมมาสมาธิ ดิฉันก็อยากจะให้ท่านฟังทั้งหลายเนี่ยนะคะได้ประโยชน์จากการฟังครั้งเดียวไปด้วยสําหรับคนไม่มีโอกาสฟังหลายครั้งก็จึงพยายามที่จะกราบเรียนถามท่านเพบูรณ์ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยท่านเพบูร์ได้เอาการปรุงอาหารมาเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อที่จะให้ทุกท่านรู้ว่าไม่ใช่แยกเป็นส่วนๆดําเนินเป็นส่วนๆแต่ว่าให้ดําเนินไปพร้อมๆกัน ใ, ในมรรค มีองแปดดังที่กล่าวแล้วถูกต้องนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคุณโยมติว๋วมันอยู่ในจิตของเราหมดเลยค่ะเหมือนกับพราอาหาร้างอกใช่นนะแล้วเหมือนกับส่วนประกอบของอาหารเนี่ยปรุงอยู่ในจานเดียวกันหมดเลยแม่มันอร่อยมากทุกอย่างมร๊แปดอยู่ในจิตของเราหมดแล้วจิตเราจะสบายใจมากๆเลยค่ะทีนี้สําหรับคนที่ยังติดใจในเรื่องสัมมาสติกับสัมมาสมาธิดิฉัน คิดว่าท่านช่วยคลี่คลายได้ไหมครับเพราะดิฉันกําลังจะยกรายการของตัวเองเนี่ยนะคะสัมสมสนนิษฐานว่าเป็นรายการที่ถ้าท่านฟังไปเรื่อยๆเนี่ยท่านสามารถปฏิบัติได้ครบทั้งแปดอย่างนี้เลยอีกสองอย่างอยู่ที่ไหนในรายการก็ท่านคะสติเนี่ยคือหมายความว่าเราระลึกจิตของเราเนี่ยนะระลึกถึงอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมและระลึกจากอะไรล่ะคือไม่ให้ไหลไปในความชั่วแต่ถ้าจิตของเราไม่มีการปฏิบัติเบียดเบียนชื่อว่าตรงนั้นคุณมีสติแล้วน ะ, ะสติตรงนั้นมีแล้วนะ ในขณะเดียวกันในขณะที่เราทําสมาธิมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยนะเราจิตเอาเป็นสมาธิตลอดเราไม่ได้ไปคิดวุ่นวี่วุ่นวายอย่างอื่นนะไม่มีนิวรณ์นะอันนี้ชื่อว่าคุณก็มีสมาธิมาตลอดแล้วนะค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเนี่ยค่ะเสร็จจากวันนี้นะคะท่านก็ไปปรุงอาหารมัดของท่านกันได้เลยนะคะทีนี้จะพูดอะไรก็ระวังนะจะทําอะไรก็มีสติระมัดระวังนะคะจะคิด อะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ชอบไม่มีการพยายามเบียดเบียนนะคะแล้วก็ให้รู้จักอริยสัจสีใช่ไหมคะใช่ประกอบอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพตามธรรมแล้วก็ไม่ต้องเอาของเล็กไปต่อของมีค่ามากอืมอืมนะคะไม่โกงแต่ช่างนะคะฟังไว้นะโกงแต่ช่างนี่ผิดมากเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะแล้วก็อา่าเรื่องสัมมาวายมามก็คือเพียนให้ชอบนะคะเพียนในการปฏิบัติทางจิต ถูกต้องค่ะเอ uh, นี่ยค่ะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นเนวิถีชีวิตของเราจริงๆคุณยมติ๋วในวิถีชีวิตของเราจริงๆซึ่งเราปฏิบัติได้ในชีวิตจริงๆของเรานั่นเองค่ะสาคัญลองไปปฏิบัติดูนะคะถ้ายังสงสัยอะไรยังไงฟังรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆมันพบแง่พบมุมเพิ่มเติมมากขึ้นไปเรื่อยๆและดิฉันเชื่อว่าจะได้ผลแบบเมื่อวานนี้ด้วยนะคะที่บอกว่ามันมีกรรมเก่าอะ่ะกรรมเก่าคือความที่เรารู้สึกต่ออารมณ์ได้อื กับคนที่อยู่รอบข้างเน่แกเขาไม่ได้ลองมาเดินตามมักให้เป็นชีวิตประจำวันทำไปพร้อมๆกันท่านเพบูรบูบอกชอบทำอาหารเดี๋ยวดิฉันทำความชัดเจนให้หน่อยบางคนแอบสงสยัยเมื่อก่อนท่านเพบูรบูลเป็นกุ๊กรอเปล่าก่อนมาบูญประธานโทษเนื้อ <c oughs> ก็เป็นงานอนดิเรกงานอดิเรกก็เฉย <c oughs> นะคะก่อน ม, มาบวชท่านเพบูลทาอะไรอยู่คะเอาเป็นมิตร์ก่อน เป็นวิศวกรโดยวิชาชีพนะค่ะเป็นวิชาชีพคนที่ชอบทําอาหารนี่มีคนทุกสาขาอาชีพเลยอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีเห็นไหมคะท่านสมบัตสุนทรเวทเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรียังชอบผัดกับข้าวอยู่เลยอนะคะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าได้ประโยชน์จริงๆเสาร์าอาทิตย์นี้ไปซ้อมเลยที่จะเดินตามมาักแบบผู้ที่ปรุงอาหารปรุงอยู่ในจกันเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แยกปรุงนะคะคนจริงฟังครั้งเดียวถ้าจําได้หมดปฏิบัติได้เลยนี่ถือว่าอะไรคะท่านคะ จำเครื่องเดียวปฏิบัติได้หมดนี่มีอินทรีย์แก่กล้ามากนะคะอขออนุโมทนาวันนี้กราบนรัต ก, การท่านไปบู์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะบท่านผฟังก็เช่นเดียวกันนะคะอยากจะถามคําถามอะไรเนี่ยเป็นถือว่าคนที่ถามคําถามมาเนี่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันช่วยเปิดทางแห่งปัญญาในอีกแง่อีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะคิดไปไม่ถึงนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสงสัยอยู่พอดี รายการนี้เรามีแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าเรามีทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้ในส่วนของท่านเพรือก็ยังมีทางออกให้ท่านฟังที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนท่านมาร์กจะพักไปพร้อมๆกับที่ันเพราะว่าท่านมาร์กเองนี่ท่านก็มีกิจเยอะนะคะที่จะต้องช่วยท่านคริสซึ่งมอบหนังสือให้กับเราเนี่ยในการที่จะเผยแผ่พุทธว จ, จะนะเช่นเดียวกัน หนังสือผู้ทวจนะท่านมอบไพ้ไม่ขาดสายนั้นต้องกราบขอบพระคุณท่านจริงๆนะคะกราบนมรส ก, การขอบพระคุณท่านฟังก็ขอมาได้ที่0 22690006จะไปช่วยพระอาจารย์สร้างหนังสือกันบ้างก็ได้นะคะส่วนท่านไผบูรณ์เนี่ยถ้าอยากจะสนับสนุนท่านไผบูรณ์หรือยังขออนุญาตที่จะบอกว่าที่วัดป่าดอนไฮโซขณะนี้เนี่ย ก, กำกลังมีการสร้างพระอุโบสถอยู่ ท่านไปหลีกเกรนที่นั่นแล้วท่านจะเห็นการหลีกเกรนมีเป็นประจำทุกเดือนเปิดไปที่หลวงพ่อด็อกทคอมหรือว่าเพียวธรรมะดอทคอมของท่านพิบูลเนี่ยไปฟังรายการย้อนหลังก็ได้นะคะไปถามคำถามไปได้ทุกอย่างแล้วค่ะวันนี้เราก็คงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนำพุ้ทวจนะของพระศาสดาไปปฏิบัติกันแล้วก็กลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ กันในวันจันทร์ค่ะพุท้ทวีตสวัสดีค่ะ